เมืองสองแควรหรือว่าเมืองอกแตกนะคะอดีตนั้นเป็นสถานที่ประทับของพระองค์ดําก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็พระเอกาทศรสและพะม่าก็ได้อัญเชิญพระองค์ไปเป็นตัวประกันที่เมืองหงสาวดีแล้วก็ไก่ของพระนเรศวรมหาราชชนชนะไก่ของพระมหาอุปราชพม่าซึ่งต่อมาพระนเรศวรก็ได้ประกาศเอกราช จังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอดีตเมืองหลวงหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกยับครั้งแรกค่ะด้วยฝีมือของทหารทัพพม่านั่นเองและเมืองพิษณุโลกยังเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศเหนือเมื่อทหารพม่า ย, ยกทัพจากเชียงใหม่ก็จะมาเจอะเจอกันกับเมืองพิษณุโลกก่อนจะยาตระทัพใหญ่ลงมาตีเมืองหลวงกรุงศรีอยุธยาทั้งทางบกและก็ทางน้า ดังนั้นนะคะเมืองพิษณุโลกจึงเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญที่ต้านทับทหารพมา่าที่นี่จึงเป็นอีกแห่งหนึ่งที่กลายเป็นสนามรบระหว่างนักรบไทยกับทหารพม่าค่ะศพนักรบทั้งสองฝ่ายที่พลีชีพนอนเกลื่อนสนามรบก็กลายเป็นสุสานของนักรบไปโดยปริยายนะคะ ครั้นเวลาผ่านมาคนรุ่นหลังๆไม่รู้ลึกเรื่องของประวัติศาสตร์เพราะว่าหลักฐานต่างๆก็ได้เลือนลบหายไปบ้างเหลือเพียงการสันนิษฐานของนักวิชาการเท่านั้นรวมทั้งสนามรบที่นักรบไทยกับทหารพม่าพุ่งรบกันตายเป็นเบือด้วยไม่มีใครรู้นะคะว่าตรงไหนเคยเป็นสนามรบตรงไหนเป็นที่พักค้างของทหารและอื่นๆครั้นมาจับจองที่ดินเพื่อทามาหากินนั่นหละนะคะถึงได้เจอดีเข้า เจ้าของเดิมที่ตายไปแล้วหลายร้อยปีก็มาทวงเอาที่ดินอันเป็นสมบัติคืนเรื่องก็เลยยุ่งไปกันใหญ่ค่ะเกิดศึกชิงที่ดินระหว่างคนกับผีหากเป็นผู้ที่มาทวงสิทธิ์คืนเป็นคนก็พอจะพูดคุยกันได้แต่ว่าผู้ที่มาทวงสิทธิ์ไม่ใช่คนหากแต่ว่าเป็นผีโบราณเมื่อสมัยคาบเกี่ยวระหว่างราชธานีสุขโขทยัยกับราชธานีอู่ทองอู่ทองคือกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะคะ คนเมื่อหลายร้อยปีกับคนสมัยนี้ไม่รู้จักกันมาก่อนแม้จะมีบันผชลคนไทยสืบทอดกันมาก็ตามเป็นอีกชีวิตของคนรุ่นเก่าโบราณกับคนรุ่นสมัยใหม่จึงเกิดเรื่องอัญชวนขนลุกกับคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ผู้เล่าได้ดินแปลงนี้ตกทอดจากปู่ย่าตายายแล้วก็ครอบครองทำมาหากินด้วยดีตลอดจนหลานชายอยู่ๆก็เปลี่ยนเป็นคนละคนค่ะมีอาการคลุ้มคลั่งตีโพยตีพายเหมือนคนบ้าเสียสตินึกว่าหลานชายโดนของหรือว่ามล หรือว่าโดนผีเข้าไปให้หมอผีอาบน้ำมนต์แล้วก็ไล่ผีให้ปรากฏนะคะว่าหมอผีก็ถูกทำร้ายเกือบตายเกิดถอดใจค่ะถอนตัวไม่รักษาหลานชายบอกยังไม่อยากจะตายตอนนี้แนะนำให้ไปหาหมอคนอื่นเพื่อทำการรักษาให้กับหลานชายตัวเองค่ะ ผู้เล่าก็เลยไปหาหมอพระเรืองอาคมแก่กล้าวิชาไสยศาสตร์ท่านหนึ่งเพื่อประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาแล้วก็ทางไสยศาสตร์พร้อมกับนั่งทางในนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าสาเหตุของหลานชายเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่จะได้รักษาได้ถูกทางก็เลยได้ความกระจ่างค่ะว่าหลานชายเนี่ยโดนผีสมัยโบราณลงโทษฐานที่แกไปครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวซึ่งอดีตเมื่อหลายร้อยปีผีตนนี้ก็ได้จับจองเป็นเจ้าของปลูกบ้าน อาศัยอยู่แล้วก็ทำนาปลูกข้าวเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของคนในครอบครัวก็เลยมาเรียกร้องทวงสิทธิ์ขอที่นาคืนจากแกค่ะเรื่องก็เลยโอลพ่อ คุณผีอะไรกันตายมาตั้งหลายร้อยปียังหวงสมบัติที่ดินผืนนี้ซึ่งแกก็ไม่รู้มาก่อนนะคะว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของผู้ใดปู่และย่าตาและยายครอบครองทํามาหากินแล้วก็มอบให้ลูกให้หลานก่อนที่จะเสียชีวิตแล้วก็ไม่มีใครรู้มาก่อนเลยนะคะว่าที่ดินแปลงนี้ผู้ใดครอบครองมาตั้งแต่สมัยใดหลวงพ่อบอกว่าให้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผีตนนั้นแกก็เลยทําตามที่หลวงพ่อบอกทุกอย่าง แต่ว่าผีก็ยังไม่ยอมออกจากร่างของหลานชายค่ะยังมีหน้านะคะมาบอกผ่านหลวงพ่อว่าจะสิงอยู่ในร่างของหลานตลอดไปจนชีวิตจะหาไม่จนเป็นที่วิตกของทุกคนในครอบครัวรวมถึงตัวของผู้เล่าเรื่องนี้ด้วยก็เลยคิดหาวิธีให้ผีตนนี้เนี่ยออกจากร่างของหลานชายก็เลยไปตั้งศาลเพียงตาขึ้นบนที่ดินแปลงนั้นพร้อมกับอัญเชิญผีตนนั้นให้มาสิงอยู่ในศาล น่าชงวนนะคะผีตนนี้ออกจากร่างของหลานชายมาอยู่ตามคําเชิญของแกทุกวันพระแกกับเมียก็จะนำอาหารคาวหวานมาถวายให้ผีตนนั้นกินและนึกเสมอนะคะว่าผีจะสำนึกในบุญคุณของแกกับเมียที่ปลูกสารเพียงตาแล้วก็เอาเครื่องเส้นมาให้กิน แต่ว่าตรงกันข้ามค่ะคุณผู้ฟังแกบอกว่าตอนกลางคืนผีตนนี้มันเฮี้ยนนักนะคะให้ที่อยู่ให้ที่กินอย่างอิ่มมีพีมันมันก็ยังมาหลอกมาหลอนคนในครอบครัวแล้วก็ต้องทำให้แกเดือดร้อนไม่ได้หลับไม่ได้นอนด้วยการมาของผีโบราณแต่ละครั้งจะมาไม่เหมือนกันค่ะตามแต่อารมณ์ของเขาจะเผยโฉมแต่ที่ปรากฏตัวน่ากลัวสุดๆแกบอกว่ามันจะมาในลักษณะของผีคอขาด ซึ่งแกก็เชื่อนะคะว่าก่อนที่จะเสียชีวิตในสมัยที่ผีตนนี้ยังเป็นคนอยู่ก็คงจะต้องถูกดาบฟันคอนะคะก็เลยจะต้องมาเป็นผีคอขาดก็อย่างว่านะคะผีคอขาดก็ต้องมาแต่ตัวค่ะไม่เอาหัวมาด้วยนะคะต่อให้ใจแข็งไม่กลัวผีมาก่อนเจอผีคอขาดตนนี้รับรองไม่สลบหรือไม่ก็ต้องวิ่งหนีกันหางจุกตูดแน่นอน แขกแปลกหน้าที่ไม่ได้รับเชิญอายุหลายร้อยปีก็คือผีหัวขาดตนนี้ค่ะเคยมาหลอกมาหลอนแกกับคนในครอบครัวหลายครั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็ทำเอาเมียแกสลบสลายเป็นลมไปนอนพักรักษาตัวนานเป็นอาทิตย์อาการถึงจะกลับมาเป็นปกติเมียแกแทบจะเป็นโรคประสาทเลยคอยหวาดระแวงหวาดผวาผีตนนี้จะมาหลอกทุกลมหายใจนะคะ บางคืนนั่งคุยกันอยู่ดีๆกับเมียสองคนค่ะก็จะมีกลิ่นเหม็นโชยลอยมาตามลมบอกก่อนล่วงหน้านะคะจากนั้นไม่ช้าผีหัวขาดก็จะมายืนโชว์ตัวมีคราบเลือดแห้งเกรือกระรงตามตัวเมียแค่เห็นผีหัวขาดแวบเดียวก็สลบเหมือดไปแล้วแกเองก็ยังใจแข็ง ยังพอมีสติค่ะไม่แสดงอาการหวาดกลัวให้รู้ให้ผีเห็นหากเราแสดงอาการกลัวเมื่อไหร่ผีจะได้ใจแกบอกแบบนี้นะคะแล้วก็จะหลอกสารพัดหลายรูปแบบนี่มันเป็นสันดานของผีทุกตนไม่ยกเว้นแม้กระทั่งผีตายโหงค่ะ แกยอมรับว่าผีตัวนี้เฮียนแล้วก็ดูเอาเรื่องเพราะว่าเป็นผีสมัยโบราณที่มีจิตใจที่ฝังอยู่กับเรื่องในอดีตทั้งที่น่าจะหมดเวรหมดกรรมไปผุดไปเกิดได้นานแล้วแต่กลับไม่ปล่อยวางกับเรื่องราวในอดีตก็เลยตามมาหลอกหลอนแกกับครอบครัวเมื่ออยากได้ที่ดินแปลงนี้แกได้ปลูกสารเพียงตาซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบ้านพร้อมที่ดินให้ ก็ยังไม่ไปไหนค่ะยังคงป้วนเปี้ยนปรากฏตัวหลอกหล้อนแกแล้วก็คนในครอบครัวเป็นบางครั้งบางคราวมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีนักกับแกที่จะต้องถูกผีคอขาดมาดังควานเมื่อให้ศินบนเป็นสารและที่ดินแล้วผีคอขาดก็ยังไม่ยอมไปค่ะแกะไม่รู้จะทําอะไรขืนไปยุ่งกับผีตนนี้มากๆเข้าเรื่องมันจะเลยเถิดไปกันใหญ่ก็เลยปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมเมื่ออยากจะมาก็เชิญมาได้เลย แต่ว่าก็อดเป็นห่วงลูกๆ ก, กับเมียไม่ได้นะคะดังนั้นแกก็เลยให้ลูกแล้วก็เมียพร้อมกับหลานเนี่ยไปอยู่ที่บ้านของพ่อตาแม่ยายก่อนจนกว่าเรื่องจะสงบก็เลยจะให้กลับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อนะคะแกอยู่บ้านหลังนี้ตามลําพังค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ขอเผชิญหน้ากับผีตายหงคอขาดตนนี้เพียงคนเดียวเมื่อเจอวิธีนี้ของแกผีคอขาดโบราณทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันค่ะ2เดือนแรกผีตนนี้มาหลอกแกบ่อยเกือบทุกคืน พอเดือนที่3ผ่านไปค่ะทีนี้5คืนถึงจะมาครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยๆหายไปเองตราบจนทุกวันนี้และผีโบราณคอขาดตนนั้นก็ไม่มารบกวนแล้วก็รังควานกนอีกเลยแกบอกว่าแกเองก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะที่แบบว่าอยู่ๆผีคอขาดโบราณตนนั้นหายไปไม่มาปรากฏตัวหลอกแกอีกเลยทั้งที่แกทําบุญอุที่ส่วนกุศลไปให้บ้างไม่ให้บ้างหรือว่าผีตัวนี้จะไปเกิดแล้วแกเองก็ไม่รู้เหมือนกันแกบอกว่าแกคิดไปได้ว่าน่าจะไปเกิดแล้วล่ะ เมื่อทุกอย่างลงเอยด้วยดีกลับมาเป็นปกติแกก็เลยไปรับลูกรับเมียแล้วก็รับหลานกลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิมนะคะพร้อมกับสละตนบวชพระอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผีตนนั้นเพื่อเป็นการไถ่าบาปที่ได้ล่วงเกินถึงผีจะไปรับแล้วก็ตาม นั่นก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากผู้ที่เคยเจอผีคอขาดสมัยโบราณเล่นงานแกกับหลานกับลูกแล้วก็คนในครอบครัวจนเดือดร้อนไปหมดนะคะเจอลูกเด็ดของแกเข้าไปเนี่ยผีที่ว่าแน่นะคะก็หนีเหมือนกันก็ไม่รู้จะอยู่ทําไมหลอกแล้วก็ไม่ยอมกลัวนะคะคนที่กลัวเขาก็หนีไปอยู่ที่อื่นตามไปหลอกไม่ได้ประมาณนี้คุณผู้ฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครจะเชื่อ จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่เราก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้เหมือนกันเอาเป็นว่าฝังไวเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนี่คือเรื่องราวผีหัวขาดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเรื่องราวความสยองขวัญกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะหรือที่เราเรียกว่าผีหรือว่าวิญญาณยังไม่ได้หมดอยู่แค่นี้ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเราจะไปเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อำเภอนครไทย เป็นเรื่องของผีดูหนังกลางแปลงค่ะคุณผู้ฟังซึ่งผู้เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นพ่อค้าขายยาเร่ไปตามหมู่บ้านด้วยรถจิปสีล้อโดยจะนำภาพยนต์ไปฉายให้กับชาวบ้านดูเพื่อความรื่นเริงด้วย เราก็จะขายยาให้กับชาวบ้านอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนกับพวกเขาด้วยไม่เช่นนั้นยาก็จะขายไม่ออกค่ะเมื่อฉายหนังกลางแปลงหมู่บ้านนี้แกก็จะขับรถจิบตะเวนไปตามหมู่บ้านอื่นๆไปทั่วนะคะโดยมีหลานชายช่วยงานด้วยก็รวมเป็น2ชีวิต และที่อำเภอนครไทยเป็นอีกอำเภอที่แกกับหลานเดินทางไปหากินแกก็จะทำหน้าที่ขับรถแล้วก็เป็นโคศกประกาศโฆษณาขายยาแล้วก็ภาคหนังไปในตัวส่วนหลานชายค่ะทหน้าที่ขายยาให้กับชาวบ้านทั่วไปรวมทั้งฉายหนังไปด้วยทั้งสองคนก็ทำหน้าที่แทนกันได้หมด เมื่อใครล้มป่วยลงหรือว่าหากเครื่องยนต์เสียแกกับหลานก็จะช่วยกันซ่อมก็อาศัยประสบการณ์พอซ่อมรถวิ่งหาเงินได้หากเครื่องยนต์อาการหนักซ่อมเองไม่ไหวนะคะก็ต้องไปจ้างรถชาวบ้านลากเข้าซ่อมที่อู่ในเมืองค่ะแกเล่าให้เราฟังบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งแกขับรถไปฉายหนังนะคะที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งขับรถไประหว่างทางนี่ก็มืดพอดีค่ะบังเอิญว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่แกจะผ่านไป แกเห็นว่ามันมืดแล้วหากขืนขับรถต่อไปอาจจะมีอันตรายก็เลยจอดรถพักในหมู่บ้านดังกล่าวแล้วก็ถือโอกาสว่าตั้งจอหนังแล้วก็ขายยาซา ม, มันทินีเลยละกันปรากฏว่าคืนนั้นค่ะมีผู้คนแห่กันมาดูหนังเต็มไปหมดแต่ว่าน่านาสงสัยตรงที่ว่าไม่มีใครมาซื้ อ, อยาของแกที่แหกปากตะโกนขายจนคอแห้งคอแหบแกกับหลานถึงกับถอดใจแล้วก็ท้อแท้ ครั้นจะล้มจอหนังลงตอนนี้คงไม่ดีแน่อาจจะถูกชาวบ้านรุมประชาทานเอาแกก็เลยตัดสินใจฉายหนังเก่าๆข้าเวลาไปจนดึกค่ะชาวบ้านก็พากันกลับบ้านกันหมดนะคะในเวลาที่แกเลิกฉายหนังแกกับหลานก็ช่วยกันเก็บข้าวของแส่รถแล้วก็พากันเข้านอนพอเอ็หลังล้มตัวลงนอนก็ม้อยหลับกันไปด้วยความอ่อนเคลียเน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งคืนจนสว่างค่ะก็ได้ยินเสียงไก่ขัน แกก็ลืมตาขึ้นเอานิ้วขยี้ตาไปมาหลายครั้งก่อนจะบิดขี้เกียจเล็กน้อยพร้อมกับลุกขึ้นนั่งนะคะเพื่อให้คลายความเมื่อยล้าเมื่อคืนนี้ที่ใช้หนังมาตลอดทั้งคืนนะคะทีนี้เนี่ยแกก็ลุกขึ้นไปเดินไปเปิดประตูรถออกมายืนสูดอากาศแกก็มองไปรอบๆ ร, รถค่ะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่แกเห็นมีแต่หลุมศพเต็มไปหมดแกถึงกับตกใจยืนผงะขาอ่อนทาอะไรไม่ถูก คือภาพของหมู่บ้านที่แกเห็นตอนพลบค่าที่แท้นี่คือป่าช้านั่นเองและคนที่มานั่งดูหนังเมื่อคืนน่าจะเป็นผีไม่น่าล่ะไม่มีใครมาซื้อยาของแกสักคนเลยนะคะพอแกตั้งสติได้ค่ะแกรีบกลับขึ้นรถสตาร์ทเครื่องยนต์ขับรถออกจากป่าช้าเพ่นแนบไปจากหมู่บ้านป่าช้าแห่งนั้นทันควันโดยที่หลานของแกยังคงนอนหลับสนิทอยู่ในรถ ผู้เล่านะคะกล่าวว่ามีหน้าแกสังเกตเห็นชาวบ้านแต่ละคนที่มาดูหนังเนี่ยใบหน้าซีดเหลืองเบ้าตาลึกบุ๋มแต่ละคนพร้อมจนหนังติดกระดูกเส้นผมแข็งกระด้างชี้โดชี้เดราวกับก้านไม้กวาดคงไม่เคยจะสระผมมาเป็นปีแน่ๆเลยสวมใส่เสื้อผ้าตัวเก่าๆกลิ่นตัวเหม็นอับชื้นภาพที่แกเห็นเป็นคนตอนกลางคืนที่แท้ล้วนแต่เป็นผีแกกับหลานผ่านวิกฤตคืนนั้นมาได้ก็นับว่าบุญแล้วนะคะ ชีวิตคนขายยาเร่สมัยนั้นเต็มไปด้วยอันตรายทั้งจากคนเอ่ยจากผีเอ่ยหลังจากที่แกเจอหมู่บ้านผีในป่าช้าผ่านไปได้3าปีเสร็จแกก็ล้มป่วยหลายโรคค่ะแกก็เลยเลิอกอาชีพนี้รักษาตัวเองจนหายป่วยอดีตครั้งนั้นแกจําได้แม่นไม่มีวันลืมคุณผู้ฟังเห็นไหมคะว่าตามชนบทที่ห่างไกลความเจริญสมัยนั้นอยากคิดว่ามีแต่บ้านคน ที่เห็นในตอนกลางคืนอาจจะเป็นป่าช้าหมู่บ้านเหมือนที่ผู้เล่าได้เล่าเรื่องนี้ให้เราได้ฟังก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าผีสามารถทำอะไรได้ตามใจปรารถนาทุกประการเลยนะคะสมัยก่อนตอนที่ความเจริญยังไม่ได้เข้ามาถึงเหมือนกับสมัยปัจจุบันนี้ โอ oh, คนเท่าคนแก่เล่าให้ฟังทั้งจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างสารพัดผีเลยล่ะคะ่ะที่เราได้ยินได้ฟังมาไม่ว่าจะเป็นบางทีก็เป็นกระต่ายนะคะตัวใหญ่ๆบางทีก็เป็นหมาดําตัวใหญ่ๆวิ่งตัดหน้ารถบางทีก็เป็นคนจูออหอบลูกจูงหลานเดินข้ามถนนไปกลางดึกนะคะบางทีก็จะเป็นวัวเป็นควายบางทีก็เขยา่าต้นไม้ใส่เราก็ยังมีเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวโอกาสหน้านะคะบีจะพยายามหาเรื่องราวต่างๆในสมัยก่อนมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังในช anel พระเจอผีได้ฟังกันนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของพระเจอผีเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทั้งที่ซุ้มเสียงก็ยังคงไม่เป็นปกติเนื่องจากอาการป่วยคุณผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช anel พระเจอผีด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราออกไปด้วยนะคะกดถูกใจที่แ Fan นเพจพระเจอผีได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ